อันหนึ่งคืออีกในหนึ่งเนี่ยนะบัดนี้เราผู้เดียวเนี่ยเป็นผู้โอวาทสั่งสอนพวกเธอทั้งหลายด้วยโอวาทานุศาสนีแต่เมื่อเราปรินิพานไปแล้วเนี่ยนะรรน 8, 000, พระธรรมขันธ์แปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์จักโอวาทท่านทั้งหลายหรืออีกในหนึ่ง น, นะถ้าพระธรรมขันธ์แต่และธรรมขันธ์ท่านบอกว่าเท่ากับพระพุทธเจ้าแต่และองค์แต่และองค์เพราะพระพุทธเจ้าแปดหมื่นสี่พันองค์เหล่านี้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 พันพระธรรมวิไนเหล่านี้นี่แหละที่พระองค์สอนเอาไว้ว่านี้เป็นธรรมนี้เป็นวิไนธรรมและวิไนทั้ง8ปดหมี่พันระธรรมขันจักเป็นศาสดาของท่านทั้งหลายปิดกทั้ง3มจักเป็นศาสดาของท่านทั้งหลายนิกายทั้งห้าจักเป็นศาสดาของท่านทั้งหลายคําสอนที่ประกอบไปด้วยองค้าจักเป็นศาสดาของเธอทั้งหลายพระธรม erm pues nope. รมทั้ง8ปดหมื่นสี่พันระธรรมขัน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 เป็นาศาสดาเมื่อพระองค์นั้นล่วงไปเมื่อรูปของพระองค์ดับไปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณของพระองค์ดับไปธรรมและวิไนพระตรายปิดกทั้งมวลนั้นแหละจักเป็นาศาสดาเพราะถ้าเร า, เ, าเราเรียกว่าพุทธังสรารนางังคัจฉามิเราก็ต้องระลึกถึงพระพุทธเจ้าผู้เป็นธรรมสามีผู้เป็นเจ้าของแห่งธรรมพระธรรมราชาผู้เป็นเจ้าของแห่งปิดกสามผู้อัะนะผู้เป็นเจ้าของแห่งธรรมวิัย ผู้เป็นเจ้าของแห่งนิกายห้าผู้เป็นเจ้าของแห่งคําสอนที่ประกอบไปด้วยองค์เก้าผู้เป็นเจ้าของแห่งพระธรรมทั้งแปดหมืนสี่พันระธรรมคันอันพูดทางจารนังค้าฉามิแล้วก็ต้องระลึกถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยนะแม้แต่ตพุทธพจน์บทว่าอิติปิโสพุทธคุณบทว่าอิติปิโสพะควาอารหังสัมมาสัมพุทโธเป็นต้นตพุทธคุณทั้งหลายเหล่านี้ก็คือผู้ที่มีความรู้ความสามารถที่จะบัญญัติธรรมเละ วินยัยเมื่อบัญญัติธรรมและวินัยครบถ้วนบริบูรณ์สมบูรณ์แล้วรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเหล่านั้นก็ล่วงลับดับไปพระธรรมวินยัยนั่นแหละสำเร็จกิจเป็นองค์แห่งพระศาสดาตามโอวาตามแนะนำตามคำสอนเพราะฉะนั้นผู้ใดระลึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าได้บุคคล น, นั้นชื่อว่าระลึกถึงพระพุทธเจ้าบุคคล น, นั้นชื่อว่าอยู่ใกล้ชิดกับพระพุทธเจ้าเพราะอะไรเพราะว่า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 เรียกว่านับเป็นสองเรียกว่าธ ร, รมกับวินัยนับเป็นสามเรียกว่าปิดอกสามนับเป็นห้าเรียกว่านิกายห้านับเป็นเก้าคำสอนที่ประกอบไปด้วยองค์เก้านับเป็นแปดหมื่นสี่พันโดยพระธรรมขันธ์คาสอนทั้งมวลเหล่านี้สําเร็จกิจเป็นภาษาสดาสําเร็จกิจตามโอวาตามพร่มสอนตามแนะนําพันถ้าผู้ใดระลึกถึงพุทธพจน์ ท, ทั้งหลายได้ก็เท่ากับระลึกถึงพระพุทธเจ้าได้เพรัะเราสังเกตดูว่า ใจของเราอยู่กับพระพุทธพจน์ได้เท่าใดเราก็อยู่ใกล้ชิดพระพุทธเจ้าได้เท่านั้นเพราะพระองค์ไม่ได้แต่งตั้งพระพุทธรูปไม่ได้แต่งตั้งอย่างอื่นไม่ได้แต่งตั้งพระพระธาตุเป็นพระาศาสดาไม่ได้แต่งตั้งพระธาตุเป็นาศาสดาไม่ได้แต่งตั้งพระองค์พระพุทธรูปหรืออะไรทั้งมวลเป็นาศาสดาแต่แต่งตั้งธรรมวินัยเป็นศาสดาเพราะธร <diesem S 2> รมวินัยนี่แหละจะเป็นตัวที่ ะจะเป็นคำสอนหรือจะเป็นคุณธรรมที่จะนาให้สัตว์นั้นออกจากทุกข์เพราะฉะนั้น อ, อย่างอื่นๆเนี่ยถือว่ามันไกลแล้วก็อ้อมไม่ใช่ผลผลิตของการสร้างบารมีของพระองค์ต่างๆผลผลิตของการสร้างบารมีของพระองค์ก็เพื่อพระญาณต่างเมื่อพระองค์มีพระญาณต่างๆเหล่านั้นพระองค์ก็มาแสดงพระธรรมกับพระวินัยหรือแสดงธรรมวินัยเป็นปิดกสามเป็นนิกายห้าพระธรรมวินัยเหล่านี้นี่แหละคือ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 อันนี้เป็นโอวาทที่หนึ่งเนี่ยนะซึ่งมีความหมายเท่ากับแต่งตั้งบัญญัติพระธรรมวินัยเป็นศาสดาต่อไปพระองค์ก็บอกต่อไปอีกว่าดูก่อน อ, อนนบัดนี้พวกภิกษุเรียกกันและ ก, กันด้วยวาทว่ า, วาอาวุโสชันใดโดยล่วงไปแห่งเราไม่ควรเรียกกันฉันนั้นคือคือพันเตเนี่ยยกให้พระพุทธเจ้าเพราะเป็นผู้ที่ควรแก่การเคารพสักการะอย่างสูงสุด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 นั่นแต่ว่าภิกูจน์ผู้บวชก่อนเรียกชื่อหรือว่าเรียกโคดหรือเรียกใช้คําว่าอาวุโสก็ได้อันนี้เป็นคําสั่งอย่างที่สองว่าเลิกใช้คําว่าอาวุโสแก่กันและกันแบบแบบแต่เก่าแต่ก่อนไม่ได้แล้วนะต้องใช้คําว่าผู้อ่อนกว่าเรียกผู้แก่กว่าว่าท่านผู้เจริญผู้แก่กว่าเรียกผู้อ่อนโดยเรียกชื่อก็ได้เรียกโคดไปเลยก็ได้หรือใช้ว่าถ้าว่าอาวุโสก็ได้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 จงถอนเถิดโดยการล่วงไปแห่งเราพราะออบัตเล็กๆน้อยๆเนี่ยนะในหน้า440บอกว่าสมุหะหนะตุเมื่อจำงอยู่ก็จงถอนอธิบายว่าถ้าสงปรารถนาก็ถอนซะถอนถอนพระถอนสิกขาบทไอ้คำว่าถอนสิกขาบทเนี่ยนะหมายถึงให้พระอริยสงฆ์นะถ้าหากว่าอริยมูพระอริยเจ้าทั้งหลายปรารถนาก็จงถอน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 ร่วมใจกันถอนสิกขาบทซึ่งเป็นบนบรรัญญัติเป็นคำสั่งแต่นี้เป็นคำพูดเชิงลองใจมากกว่าเออเนี่ยถ้ารั์เหล่านี้ถ้าเธอบริหารไม่ได้นะเธอก็ตัดทิ้งไปบ้างก็ได้นะเนี่ยนะเป็นคำพูดประเภทนี้นะหมายคามว่าเออทันจะให้เงินเยอะแยะขนาดเนี้ยแม้ถ้าเธอไม่อยากได้มากเอาแต่น้อยก็ได้นะแล้วมีใครเขาจะเป็นแบบนั้นมีแต่บอกว่ามีเพิ่มอีกไหมเขามีแต่จะคิดกันแบบนั้นทั้งนั้นแหละว่างั้น อและขณะเดียวกันเนี่ยคําว่าศิขาบทเล็กน้อยเหล่านั้นเนี่ยหมายถึงอะไรหมายถึงอบัตทุกกดและอบัตทุกภาสิทธ์อบัตทุกกดและทุกพาสิทธ์ทั้งหลายชื่อว่าอาบัตเล็กน้อ ย, อยนะนะอบัตทุกกดกับอบัตทุกภาสิท์เท่านั้นชื่อว่าเป็นอบัตเล็กน้อย นะที่ที่พระองค์บอกว่าถ้าสงประสงค์จะเพิกถอนก็เพิกถอนสิขาบทเล็กน้อยนั้นหมายถึงอบัตทุกกและทุภาษิดไม่ใช่ยัถอนมี่ไหนปิดกไม่ใช่แบบนั้นแต่ขณะเดียวกันถ้ามหากรสปะท่านอย่างไงท่านก็ไม่ถอนเพราะอะไรเพราะพระมหากรสปะได้ประกาศเอาไว้แล้วว่าดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายนะสุนาตุเมอาวุโสสังโคผู้มีอายุทั้งหลายขอสงจงฟังคพระเจ้า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 ข้อนี้ควรแก่ท่านทั้งหลายที่เป็นสมณะสักยะบุตรคือครือัดเนี่ยเขารู้นะว่าอะไรสมควรแก่สมณะสักยะบุตรอะไรไม่คู่ควรไม่สมควรแก่สมณะสักยะบุตรเพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยนะจะมาถอนสิกขาบทเล็กสิกขาบทน้อยได้อย่างไรเพราะอะไรเพราะถ้าหากว่าพวกเราถอนสิกขาบทเล็กน้อยเช่นอบัตทุกข์ทุกข์กดอบัตทุกพาสิทธิ์ทิ้งเสีย คนทั้งหลายก็จะว่ากล่าวเอาพวกเราได้ว่าศิษขาบทที่พระสมณะโคดมบัญญัติเอาไว้แก่สาวกทั้งหลายสาวกเหล่านั้นปฏิบัติอยู่ได้ชั่วขวัญไฟเรียกว่าปฏิบัติได้เหมือนเหมือนทูบว่านั้นเถอะเหมือนวันทูบควันเทียนควันไฟมันจะไม่มีประโยชน์อะไร